นั่งอยู่ต่อเตานะภาวนาเอาอมาแสดงงดจิตของเราทุกคนงดเปล่าใดหนุยจักเรามาทำบุญหนุยจักบุญ ทิ้งองเราเป็นบุญหรือยังพากันบุญมาอยู่ที่ไหนเอาจะได้บุญจะได้ความสุขจะได้ความเจริญความสุขมาอยู่ตรงไหนเล่าพากันเขาที่ทุกคนเวละพากันมาเนี่ย แสนทุกแสนยากแสนลาบากนะมากันมาสแสวงหาคุณงามความดีสแสวงหาคูณหาคุณสอนสแสวงสุขคังเจริญ น, นี่ละให้พากันให้พึงรู้คุณต่ใจว่าอะไรมันสุขอะไรมันเจริญอะไรมันดี นี่พากันรู้จกักนี่พากันมาเนี่ยาับดีทุกท่านทุกคนต้องการคุณงามความดีเราทํำยังไงไมันจะดีพากันรู้จกักหาเรามรู้จักของดีแล้วเราจะหาวันยังคําก็ไม่ได้ของดี หาวัตถุมิก็ไม่ได้ของดีเพราะเราไม่รู้จักของดีอผู้รู้จักของดีแล้วมันก็ไม่หา ย, ยากนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้อ่าให้พากันดูของที่เราอาศัยพุทธศาสนา คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วในเบื้องต้นเาราศรัทากั น, นมา เ, าเวียนเทียนแล้วก็วายบูชาอลัตนะไตรทั้งสามไตรก็แปลว่าสามสา ม, สามคื อ, อไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นี่แหละพุทธรัตนะธาารรมลัตนะ ส ow, ังคาลันะรัตัญะนลระเป็นที่พึ่งของเราคือเป็นแก้วรัตัะแก้วคือพระพุทธเจ้าแก้วคือพระธรรมแก้วคือประสมเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใส่แก้วพระธรรมไม่ใส่แก้วพระสมไม่ใส่แก้วนะหวังเนี่ยมันเปียบเหมือนกับแก้วแก้วมันใสมันสะอาด เหมือนแก้วกระจกหรืออะไรมันใสนี่ดวงใจของท่านใสเหมือนแก้วอันมองเห็นหมดสุขทุกทั้งหลายนารกสวรรค์มันมองเห็นหมดดีชั่วหลาย่ันจะไม่วางศาสนาในไว้ให้แก่พวกเราเ่าพุทธบุริศักดิ์เนี่ย ทางเกิอดอัตบันปสิทผู้เกิดชุดท้ายภายหลังนี้มาเององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาพบปะเทธรรมะคาสั่งสอนของท่านได้สี่แจงแสดงไว้แล้วท่านที่แจงแสดงไว้ท่านก็นไม่ได้สี่แจงแสดงไปแห่งใดในธรรมกุลท่านนันบอกว่า เอฮิปสิโกจึงร้องเรียกสักทั้งหลายมาดูธรรมท่าทนไม่ไปดูธรรมอันมาดูธรรมอนเขาจะมาดูตรงไหนเราทำคือมาดูรูปธรรมนามธรรมานี่แหละรูปธรรมเพื่อตภาพล้างสายเราอันนี้เรลยกว่ารูปธรรม เนี่ยพากันมาดูดูเพื่อใดเราอยากรู้ว่าเรามาเถือนนี่ว่าเป็นตัวเป็นตอนเป็นชัดเป็นบุคคลกันเราเป็นเขามาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยคือรูกประทัเนี่ยอันนี้เราก็มาพิจารณาเรามาสายนิยคือเป็นตัวเป็นตอนชัดบุคคลเราเขา ท่านให้มาดูมาดูเพื่อเหตุดเพื่อมให้หลงท่านให้รู้รู้รูรปรธรรมนี้แล้วท่านจงเราทั้งหลายเจรละซึ่งทิฏฐิมานะทั้งหลายละลาคะโลภะโศสาโมหะอวิสาตมห า, า, หาอปทานกบช่า เราไม่ได้มาดูแลเราเสือเป็นตัวเป็นตนมันเป็นตรงไหนเราให้มาดูท่านกษัตรสนานะั่นกเจ้าว่ากีบิสูตังห้าขยกขึ้นธรรมจกักรกวฏธนาสูตรขึ้นมาธรรมจักรกบฏธนาสูตรนั้นก็ได้บอกว่ามีทางขัวปนาเปตโวเวทุกขังอะไรสดัง ี่ันบอกพเนี่ยทิพขคเวดูกน ท, นท่านทั้งหลายพิสุททั้งหลายสักจังของจริงคืออะไรเลร่านะเวลาของจริงจะจะทำทันสี่ประการ น, นี้นี่จะว่าไปคืนกันเราไม่คูกคนเราทั้งหลายมากธรามาอมเดวเทสทำให้ผูกทุกคน ทำยังไงนันจะถูกเล่านี่เราต้องฟังเอามีํางผัวเป็นคำที่ จ, จำของจริงนี่ท่ามารู้จักของจริงจริงเคือ่องในเล่าสรัพจากเป็นของจริงเนี่ยพาันุชาติท์ทุกขา นี่คือความเกิดนี่เป็นทุกข์เราทั้งหลายมีทุกข์อื่นทุกข์เพราะความเกิดนี่แหละให้พากันพิจารณาดูนี่เราทั้งหลายนี่พุทธเจ้าจะได้วางสาสนาไว้ให้เราทั้งหลายพิจารณาให้รู้เวลานี้เราก็เกิดมาแล้วทำไมยังทุกข์นั่น เจริญนาเรศทุกความเกิดชลาทุกขวานี่ยความทุกทีสองรองเข้ามาเมื่อเกิดมาแล้วความเข้าแก่สลาพังค่าความสนุชุดทวงในตัวของเรานี่มันเป็นทุกขานบอกไปนะว่าไม่อื่นเป็นทุกข์นี่ใจของเราเป็นทุกข์ อันนามาพิจารณา น, นี้พิจารณาธรรมนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ละอันนี้มีประจำอยู่แล้วทุกรูปทุกนามไม่ว่ามียศก็าตามไม่มียศก็าตามสูงตามดำขาวกว็าตามทุกจนก็าตามอันนี้มีประจำอยู่แล้วแต่ของจริงใช้ห้ามไม่ได้ใช้จะห้ามได้ สิงเหล่านี้นอกจากพระพุทธเจ้าพระรหัสทั้งหลายมันห้ามต่อไปแต่เราทั้งหลายยังห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจงธิดเจรณาสิ่งเหล่านี้ไม่พึงรู้พึงเห็ น, นทุกที่สามเข้ามาพยายาเจะไปดูาความเจ็บไข้จะไปญาตเป็นโรคเป็นไัย เป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็นนาว น, น่เจ็บตนเจ็บตัวอ่นนี่มีจะพากันกบนเจ็บท้องเจ็บไสยเจ็บเอี้ยวเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บมือเจ็บตาปวดศีรษะนี่พากันกบลทุกคนมีใครละไม่ได้เป็นชิ้นแบบนี้ นี่มันมีอย่างนี้แล้วให้พากันพิจารณามันรู้มันเห็นเราจะทำวิธีไหนพระพุทธเจ้าจะได้เทศนาให้เพื่รู้เพื่เห็นสิ่งเหล่านี้อันนี้เมื่อโลภัยไข่เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเราก็มานับเ้าเราก็อยู่ไม่ได้ถึงมาราามณะปิดถุกผัง ถรืงความตายางความตายทุกจนตายความตายนี่ละ่ะไม่ได้ว่าสั้นสูงสั้นามดำขาวประการใดทุกจนก็ตามต้องเป็นอย่างนี้มัดรูปเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่อันนี้มำรับอาสาบารีท่านไม่ได้ว่าตาย อันว่าจุติจุดติคือความเคลื่อนไปนี่เมื่อเราจะลุดไปเคลื่อนไปอย่างนี้เหตุใดยังเคลื่อนไปเล่าเราอยู่ไม่ได้พอเหตุชันใดอยู่ไม่ได้ขาดทั้งสีเนี่ยมันไม่เป็นสมมติกันมันร้อนหนักเย็นหนักอะมันหนักหนักเหลือเกิน มาเรียนจะทำนี่เป็นของหนักนักจิหนักนักเข้าพอพอแล้วลืมตาก็ไม่ได้ยกแขนยกขาก็ไม่ได้ลุกยิ่งไม่ได้แล้วนักแล้วจะทิ้งเมื่อทิงอันนี้แล้วอันนี้เราจะไปอยู่สนไหนเราเราจะเอาอะไรไปด้วย นี่พระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้พากันบำเพ็ญคุณงามความดีไอรุจักที่พึ้นของเราที่อาศัยของเราอนี้เราเป็นข้อปฏิบัติท่านเป็นในวางทานวางศีลวางภาวนานิวันี่ให้พากนรุจัก นี่ลหละจะเป็นสเสวียนเดินทางของเราอาพุตรธรรมไว้ได้สร้างไว้คุณงามความดีความดีนี่แหละนำปกปกักษารเราไประโยช่สุขปิติแบบนี้าพากันให้เข้าใจต่อไปสิ่งใดละาไม่ทำไว้ยังไม่ว่าพระพุทธระธรรมระสงค์เป็นรณะที่ขพึ่งของเรา สิ่ใดละาไม่รู้ไว้แล้วก็ไมทําไว้สิ่งใดละาไม่ทาไว้แล้วก็พึ่งไม่ได้สิ่งใดเรรู้แล้วก็ทําไว้ปฏิบัติไว้เราก็พึ่งได้นี่เป็นอย่างนี้เหตุนั้นในพากันในพื้นรูปเข้าใจท่านจะนวางศาชนานีิไว้เป็นเครื่องทนุบำรุงตัวของเราคือท่านจะนวางทานวางศีลวาง ภาวนาในวัยนี่เป็นข้อปฏิบัติพัฒน์นวกท่านทั้งหลายจะได้พากันมาทำบุญนำผุณสอนทำคุณงามความดีเป็นเครื่องบริจาคสละมัิดิยะความตนีเนียวแน่นในจิตใจของเราสละความโลภสละความปรดสละความหลงหอกเริ่องเป็นอย่างนี้ผลอันนิสงนี้ละ จะทำจัดโลกทำจัดความทุกความจร์พอเราได้ทํำไว้ได้สร้างไว้หน่อยมากนี่เป็นของของตนนี่ให้พากันโกน้ําเมื่อเราได้พากันทําบุญทนนากุศลแล้วให้โกดน้ําใจของเรานี่เราทํามาเนี่ยใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายไหม ให่ดูเต้เราได้ทำมาแล้วเนี่ยใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายเย็นออกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่ไวายนี่ลหละใจเราพุทธโธใจเยอะใจเย็นใจสุขใจสบายนห่นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้า วัสนน์ในพากันในพึ่งรูค้คุณกอใจที่ไม่ใช่อื่นสุกไม่ใช่วัตถุของของเงินทองสุกไม่ใช่ว่าอากาศมันสุกใจมันเราเป็นสุขทุกพอะหพณีเพรใจเราสงบเราได้ทํากุณงามความดีไว้นี้ลาบทรรมทั้งหลายมานี้กัมันทํากุงามความดีดีหรือยาง ต้องพากันดูให้ันรู้นุ่ใจต่อไปนี่ละ่ะเราได้ทำไว้สินใดแล้วไมไ่ทำไว้แล้วก็พุ่นพาอาศัยไม่ได้ได้แต่เราได้ทำไว้เท่านี้เดตกนั้นในพากันในพุ่งรู้พุ่ใจเป็นข้อปฏิบัติเรื่อมมาเป็นอย่างนี้นี่ละ่ะการที่เราหลักษาสีล การรักษาอื่นไปวางสาสนาไว้รักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้เรียบร้อยกายของเราเรียบร้อยวาจาของเราเรียบร้อยใจของเราเรียบร้อยแล้วไม่ทำโทดน้อยใหญ่ทางกายทางวาจาดงใจเราแล้ ว, ลวเกิดไปในพบไหนฉากไหนก็ตามอะไรพ้ น, นจากพุก เราจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยตายของเราก็ได้เป็นคนเดบร้อยว่าเจ้าของเราก็เป็นคนเดบร้อยมันมีโทษน้อยใหญ่นี่เห็นนั้นกันยังไงรักษาศีนโทษน้อยใหญ่เกินใดเราท่านทั้งหลายก็รทราบอยู่แล้วว่าอาณาหรืออตินากามเมมุสาสุลาอันนี้มันเป็นโทษอันนี้ บ้านเมืองยุ่งยากทุกวันกับ่พอโทษาอาญาหนี้ให้พากันในพึ่งลูกคุณตัวใจเมื่อเราตั้งหลายไม่ได้ทําโทษาอาญาหนี้แล้วเราก็มีความสุขอ่าเราก็ไปในพบไหนฉากไหนเราก็มีความสุขในปัจจุบันในเบื้องหน้าเราไม่ไทําโทษาอาญาแล้วเราก็เป็นผู้มีโภคาสองบาท เป็นคนไม่ทุกเป็นคนไม่จรเป็นคนไม่อดไม่ยากเป็นคนไม่ทุกไม่ยากเหตุนี้ให้พากันฟังย่าซาักปฏิแฟมให้คำจิตไปพร้อมเมื่อพระพุทธเจ้าเทศนาปัญจวคีสีสุทั้งอาเมื่อได้ท่านในสดับโพวาตธรรมคําสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วนั้นก็ันนี้ขึ้นมาสีแจ้งแสดงให้ฟัง ท่านก็เลยสัมร็จมกักสัมแลกหวอนนี่ก็เราก็ปัญจแปลวา่าห้าห้าคืออะไรเล่าขาสองแขนสองทิศอนหนึ่งนะมีปัญจแปลวา่าห้านี่เมื่อท่านได้ฟังแล้วสิ่งใดไม่ดีท่านตะเลิกท่านละทันยกมนาตลักษณสูตรขึ้นมาสี่แจงแสดงให้ฟังน ชี่แจงเรียนอนาตาลัคนาสู่ตั้มคือท่านยกลูกยกเวทนานยกสัญญายกสังขารยกวิญญาณนี่ขึ้นมาชี้แจงแสดงให้ฟังชี้แจงแสดงว่งไงแล่ารูปฟังอนิจังเนีเมื่อท่านได้ฟังแล้วถามว่ารูปเทียงหรือไม่เทียงท่านก็ตอบไม่เทียง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุกหเป็นทุกข์ทั้งต่อบว่าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะว่าโตตอนอย่างไรเล่านี่ตะวัโนโอเหกันป็นเตมไม่ใส่ปเป็นจ้พ า, านี่ทั้งกะละลูกน่ละถึงลูกนี่ถามถึงเวทนาเวทนานิจาถามว่าเวทนานั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง ท่านบอกไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่ง น, นั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเป็นทุกข์เมื่อสิ่ง น, นั้นเป็นทุกข์สิ่ง น, นั้นจะว่าต่อตนยังไงเล่าท่านบอกไม่ใช่นะทั้งกละาเวทนาสุญจักไมเวทนาืานาอความเย็นความร้อนความเป็นสุขความเป็นทุกข์นี่เลว ทุกขาเวทนาทุกขาเวทนาบางเรานั่งอยู่นี้ก็เรียกเวทนาน่วก็เจ็บตรงนั้ น, น, นก็ปวดตรงนี้น่ะแต่ให้น้อมน่ะแต่ย็นวีวักวักแยบแยอยู่ที่นี้เนี่ยน่ะตัวเวทนาเห็นไหมล่ะมันอยู่เฉยเยไม่ได้ น, นี่ตัวเวทนาละอันนี้ไอ้พิเจนาอันนี้นเป็นทุกข์ ใช่ใครเนี่ยนี่ท่านถามเวทานาแน่แล้วส า, ามสัญญาสัญญาหน้าง น, น, นี้จังสัญญาเที่ยงรือไม่เที่ยงท่านตอบว่าไม่เที่ยงเมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่ง น, นั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตอบเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์ที่ว่าตัอตอนอยังไงเล่าตอบโนเหตุกั้งเปนเตไม่ใส่ปะจจุบ้า ท่างกล่เวทนาในล่สัญญา น, น, นี่ถามถึงสังขารสังขารนิจสังขารเที่ยงแต่ไม่เที่ยงทั้งตอบไม่เที่ยงเมื่อสิ่ง น, นั้นไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทั้งตอบว่าเป็นทุกข์เมื่อสิ่ง น, นั้นเป็นทุกข์แล้ว ฉะ น, นั้นจะวัดตตอนอยังไงเล่าถ้าบอกไม่ใช่น่ตักระลายินความคันนี่ถามถึงวิญญาณวิญญาณนอนนี้จังวิญญาณนั่นเที่ยงนั่นไม่เที่ยงตากระไม่เที่ยงเมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นสุขจะเป็นทุกข์ตากระเป็นทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเป็นทุกอองงข์จะวัดตตนยังไงเล่าทั้งก็เลยลาย ก็ปล่อยวางหมดยิดของท่านก็สงบเป็นศีลเป็นสมาธิละอารมณ์สัญญาละกิเลสตัณหาละคาโลภาทโทสาโมฮาอวิชาตัณหาเปสารกบชาติทางะเบื้อสแคร์มกรกสแควรขอนยิ้ของท่านยิน้มของท่านก็สงบนี่ท่านเทศน์นี้เหตุนั้นในพากันในพุทุกข์คุณพอใจ ในสิ่งเหล่านี้มีประจำตัวของเราอันนี้พากันปวดดูน้ำใจเราเวลานี้เราจะอยู่ในชั้นใดภูมินใดในพกใจกามมาพกและวลูกมาพกมาลูกมาพกที่อยู่ของเราให้พากันในคุ่ลูกพุ่กใจนี่พากันมาทำบุญทำบุญสอนยิบเราเป็นบุญเนะยังให้ดู จิตเป็นบุญมันเป็นยังไงจิตเป็นบุญแต่จิตเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุดไม่วายพุทโธใจเบิกวามสบายหายทุกข์หายยากหายความละบากลำพานอ่าเป็นอย่างเนี or, ้ยอ่าให้เขาใจไว้นี่แหละบุญ คนทั้งหลายทำบุญน่าไม่เห็นตัวมันจักเป็นตัวยังไงตัวบุญอจากรู้จักตัวบันเออตัวบุญก็คือตัวคนเราทั้งหลายนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> สีษามันดำดำคอมจิวๆทุคนนั่งอยู่นี่แหะเออตัวบุญเราทําผล ง, งาคนคําดีแล้วเราก็มีความสุขเราก็มีความสบาย จิตใจของเราก็เบิกบานอย่างเร้เน่ว่าพุทโธอ่าเป็นอย่างนี้อ่าจิตเราไม่ทุกข์ไม่ยากไม่มีความลำบากลำพานเมื่อจิตเราดีแล้วสิ้งทั้งหลายมัก็ดีไปหมดการงานแล้วก็ดีทรมาหาอะไรก็ดีค่าหายก็ดีเราเรียนก็ดีฝาบพัวก็ดีชาวบา้านล้านตราประเทศชาติก็ดี นี้เรประเทศของเราบ้านเมืองของเราเราจะได้เรีรู้จัจกความดีทั้งคตตังทำใจของเราให้สงบสร้างบข้าศึกศัตรูมัก็ไม่มีให้เวียนนก็ไม่มีเป็นอย่างนี้เมื่อเรามีพุทธโภมีธรรมโมมีสัมโภอยู่แล้วพุทธโภคือเรารู้แล้ว ทาโม่แลก็ทำคุณงามความดีอยู่แล้วสังโฆเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วนี่ล่ะความชั่วทั้งหลายก็สลายไปเองเปลี่ยนเมื่อกลับมืดนี่ล่ะเราจุดขึ้นแล้วมืดมาต่าหายไปเองทั้นก็มีแต่ความสว่างสวนั้นก็มีแต่ความขปร่งใสนี่ล่ะเราจะได้ไม่อย่างนี้ให้พากันดูที่ ขาศึกสัตรูนมาจากไหนใไขเวีนมาจากไหนนี่มัมาจากอื่นจากใครมันมาจากราะโลภโทสาโมหะนี่เนโลภะคินาความโลภมันเป็นไฟโทสักคินาความโกรธเป็นไฟโมหะคินาความหลงเป็นไฟ ไยนี้ล่ะมาไม่หัวใจของเราให้วุ่นวายตลอดมดไปทั้งประเทศชาติบ้านเมืองนี่นนั้นเราจ ะ, จะพากันมาทำบุญทำปูสนเพื่อระ ง, งับดับแตนี้ไม่ระ ง, งับดับปื่ยไใจสมมุติว่าเราให้ทานแล้วระ ง, งับดับความโลภนีเองมันโลภมาเท่าไรแล้วกเสลาออกไปเท่านั้นเป็นอย่างเนี้ย อันนี้เรามารักษาศีล น, นี่เพื่อระงับดับความโกรธของเราเมื่อเรามีความโกรธแล้วเราก็นึกถึงศีลของเรานึกถึงเหตุใดศีลของเรานึ้อของโอ้เราโกรธตรงนี้เราก็เกิดมาเป็นคนขี้ลายขี้เละเป็นคนปุกคนจอนเป็นคนไหวคนว่านะ เมื่อแปลนเจนนี้เราก็ละได้ความปวดของเราเมื่อปวดโมโหโทโซกันแล้วมันเกิดข้าวันลันแทงกันเกิดป้อนฉนอมกันเกิดฆ่ากันนะไม่ว่าอะไรทั้งหมดนี่มันเป็นอย่างนี้เราก็มารักษาศีนว่าแลรักษาศีนรักษากายรักษาวาจา ยังเราเรียบร้อยเราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่มีเกิดไม่ได้พบในฉากไหนเราก็เป็นคนเรียบร้อยไม่เบียดเป็นชึ่มกันและกันนี่ให้กขะจายไหวพวกเราทั้งหลายท่านสอนไว้ศาสนาะทั้งวังนี่นนี้การเรามีความหลงโมหะคือความหลงท่านสอนในภาวนา พุโทโธธรมโสมพุโทโธภาวนาพุโทโธพุธโทโธมันละเลิกเราก็ไม่หลงเมื่อเราไม่หลงแล้วเราก็ไม่มีโมโหเราก็ไม่หลงแล้วเราก็ไม่กระทําความชั่วโกรธบาปโกกรรมโกรธทุกโทรธยากเราก็นั่งไม่หลงแล้วนั่งก็มีพุโทโธเป็นผู้รูย้ยู่นอนก็รู้อยู่ เดินก็นรู่อยู่ยืนก็นรู่อยู่ไปไหนก็นรู้อยู่รู้อยู่เราอยู่ทีนี้ก็รู้ใจเราเบิก บ, บานพุทโธใจเราเยอกใจเราเย็นใจเราสุขใจเราสบายนี่ละ่ะให้พากันให้รู้จักนี่ละ่ะเราทั้งหลายถามบใครๆว่าบ้านเมืองของเราวุ่นวายมันเดือดร้อน เดือดร้อนที่ไหนนั่งดูตีร้นอนที่ไหนก็แก้ตรง น, นั่นตีเออให้พากันแก้เรามานี่คนมากน้อยแต่ไรเล่าทางคนต่างสงบมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีระเบียบเรียบร้อยดีเงลาบุญกุศลมันเป็นอย่างนี้เห็นยวนั้นให้พากันในพึงลูกเข้าใจต่อไปให้พากันบันภานาแต่ภาวนาพระเจ้าไม่นั่งเขา ภานาไม่วันนี้เอาอินไม่เราต้องฟังเทศตัวนี้ก็พอแล้วเขาจะฟังธรรมยังไม่ลาวต่อคือเหนื่อยแล้วนะเราพอเหนื่อยไปเขาฟังธรรมดีเอานั่งฉันเขาที่ฟังธรรมฟังธรรมนะเราพอเหนื่อยเทศนก็เหนื่อยแล้วเนาะฟังธรรมกฟังโซโปมิตรแล้วนเนาะฟังเอานั่งก็ที่ฟังธรรม น่ามาหนห้านาทีเอ้านั่งกอที่เอา้าทังคนะอันนี้นี่เทพไฟังแล้วมันสงบหรือไม่สงบเอานั่งกอาที่นั่งให้สบายสบายนี่ตรวจดูเรามานี่นั่ง้สบายฝ่าฝ่าทักตาสายมือข่าทักมือายตั้งกลความนั่งให้สบายสบาย เอามานี่เราต้องการความสุขความสบายนั่งให้สบายสบายเมื่อกายเราสบายแล้วเราฟังธรรมนี่นะฟังรู ป, ปรธรรมนามธรรมฟังธรรมฟังรรยังไงเล่เากายสบายแล้วลก็นึกดวงใจของเราเนืกอว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระิยสง์สาวกอยู่ในใจเมื่อะนึกในใจอย่างนี้แล้ว แล้วในเบืองต้นนึกคำปริกรรมภาวนาเสีก่อนให้นึกว่าคำผู้บเ่ยภาวนานั้นไปนึกอย่างนี้ผู้เคยแล้วลไปนึกก็เลยดูใจของเราเลยดูยังไม่เคย่อไปนึกว่าพุทโธธัโมโธสังโธพุทโธธัโมโธ สัมโพพุทธโธรัมโสัมโสามคนแล้วไห้รวมมาจะพุทโพุทโคำเดียวนับตานับปากซะลีนกับไมกระด็กกระดิ๊งไม่ได้ลึกในใจไม่ได้ลึกแผลใดแล้วในใจของเราพุทธโความรู้ส humble, ommy, people, ึกตรงไหนแล้ว <erro> ตั้งสติไว้ตรงนั้นตากรเพื่อนดูด้วยตรงนั้นหูลองไปฟังในตรงนั้นเราอยากได้ยินว่ามันความสุขมันเป็นยังไงตาแล้วก็อยากเห็นใจแล้วก็อยากรู้ความรู้ตนไงเ้าอยู่ตรงนั้นมันเป็นยังไงเล่าใจขวัดดูใจของเราเป็นบุญหรือเป็นบาป นี่มันเป็นบุญเป็นยังไงเล่ามันใจเราดีหรือชั่วใครรู้จักมันดีเป็นยังไงใจลราดีสงบดีมีความสุขความสบายเย็ยนอกเย็ยนใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่อุ่นไม่ไวายพุทโธใจเบิก บ, บานสบายนี่พุทโธใจสว่างสวัย พโธ่ใจผ่องใสสะอาดราชจาจักผู้ราชจากโค่าชจากไภัยราปจากวบเวราชจากความโธ่ชาลามะมกราชจากความทุกข์ความจรราชจากับโรคาชจากับภัยนี่ดูเอาหายแล้สงบแล้วนี่คุณนี่เมย์ทำบาปทำกรรมกรรมมันจะมาที่นายเรา ใจเราสว่างสวายโปรงใสใจเราปองใ ส, ใงใสมันก็มองเห็นคนมองเห็นโตมองเห็นเขามองเห็นเรามองเห็นหนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นบุญมองเห็นบาปนะถ้แบบดูที่บุญมันเป็นยังไงอธิบายมาแล้วใจเรามีความสุขใจเรามีความสวายนี่นี่แหละบุญ เมื่อเราดับขันไปแล้วก็ไปอยู่ที่สุขที่สบายนี่พากันในปมู้นเข้าใจต่อไปนี่บาปเป็นยังไงวัดเราฟังธรรมฟังูนที่บาปในใจล้วไม่ดีใจไม่ดีทุกข์ยากหุ่นวายเดือดร้อนนี่นำทรัพย์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้านี่าม่อยากได้ไม่ใช่เหรอ เมื่อใจไม่ดีทํำอะไรก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีรล่าทามาหากินเหล่าเรียนอะไรก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีชาวบ้านร้านตประเทศชาติมันก็ไม่ดีเมื่อเป็นเชนี้ไม่ใช่อื่นไม่ดีไม่ใช่ว่าขาดไม่ใจเราไม่ดีดีนึกพุทโธตับมันลให้รู้ไว้่เดี๋ยวนี้เอาต่อไปต่างคนต่างได้ยินได้ฟังแล้วอามีงานอะไรล้ว ลองดูฟังโรมันดีแล้วไม่ดีรู้จักตรงนี้ละอะสอบดูเต้ใครดีใครไม่ดีรู้จักตรงนี้ละเอาฟังตังค่อนตังฟั ง, ง, ง, งนะยินแล้วเอาดูดีแล้วไม่ดีใครอยากได้ดีก็ดูเอาอธิอาบายฟังแล้วอมันไม่ดีก็ดูเอาเราจะได้กั็สร้างเอาอ มีเทวุธเทวดาทำให้พระอินทร์ั้งรอมทำให้นี่ทั้งหลายบ้านเมืองวุ่นวายเดือดร้อนนี่ทำวิธีไหนพระตามพันสงบอย่างนี้แหละทำนาจ บ, บุญกุศลอันนี้ํำจัดไปํำจัดเวียนทำจัดความโช่ชาลามอกทำจัดความทุกข์ความจนได้เรื่องเป็นอย่างนี้พระพุท ธ, ธานุภาเวนะ โดยนภะคุพุทธเจ้าภาพประธรรมประสงค์ น, ะพพ น, นีละไม่นด้มีอนุภาพเหมือนนี่แหละบ้านเมืองของเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อใจเราอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขแนะปัจจั ย, ยคนนี้สร้างบ้านช่างเมืองใจคนนี้เป็นผู้รักษาประเทศชาติชาติบำเกิดกับเรานี่ ไม่เกิดมาจะอื่นชาติชนะจะรุ่มเรืองเลริญขึ้นาสายเรานะั่งสมาธิภาวนานี่แหละให้ดูใาแล้วสงบมันสงบแล้วก็ไม่มีบาปไม่มีกรรมไม่มีความทักขามีแต่ความสุขความสบายเมื่อใจไม่สงบแล้ววุ่นวายเดือดร้อ น, อนเห็นแล้วเราก็รีบแก้รีบชาระสามฆ์ใใหัวใจของเรา บางคนตั้งสงบแล้วบางไปสงบไปหมดเกมรอต่อไปแต่นี้ให้สัญญาว่าได้ยินเสียงอะไรก็ตามให้รู้ว่าสิ่ง น, นั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดินรอตางคนตั้งปังม า, มากระยับ65นาทีฟังญญานาฬิกาที นั่งสบายสบายน่ะเปนสบายจะเป็นออกภูมิมองยีมองใจเราเออดูใจเรามันดีหรือไม่ดีบอกแล้วไม่ใส่ฟ้าอากาศมันดีบนไม้ภูเขาเราพามมันดีไม่ใช่ตึกล้านมันผ่านดีของพร้อมเงินทองดี รู้ว่าที่อะไรมันดีไม่ใช่ฟ้าอาการมันทุกข์เอาของเงินทอนงมันทุกใจเราทุกข์ไม่ใช่ละทุกข์ตรงไหนกระดับตรงนั้นซีมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ตรงนั่นซีพาไปถ้ากันฟังจะมีเพลิดเพลิอเพลิดเล้วท่านยังมาฟังในเสียงโวบันายโกเรียนแล้ว น, น, น้องพาไปนะตอนก่อน สบา ย, ยาอย่างวยย่สบายเนี่ยเอ ย, ก, อยกทุกข์ยสบายอำาจาหมันว่างทำใจให้มันนิ่งมันคล่องอะไรมันคาอะไรีแก้ไขู่เดนนี้ตายแล้วมันแก้ไม่ได้นะนถึงตัวแล้วมันแก้ไม่ได้นะเวลานินแก้ได้นะ วัดโคตรมถึงแล้วแก้ไม่ได้นะเดี๋มาแก้จะในบางต้นนี้นะพนันนะฐานอาจารย์เมตหลวงดูเมตตาให้หลวตาเมตตาให้นะอะไรเป็นลูกเป็นร้อนไหนจะทักเมตตาให้เราแล้วไม่เมตา ต, เมตาตอนเมตตาตอนที่กินดูตอน จะมานั่งอย่างนี้ถ้าใครไม่อินดูตอนแล้วกมันนั่งไม่ได้ใครอินดูตอนกันนั่งได้ดีกันนั่งดูตอนตอนเป็นสุกแล้วเป็นฟุกตอนดีแล้วไม่ดีใมรู้จกักม่สช่ฝ้าอากาศดีมีสช่ฝ้าอากาศไม่ดีเอาดูดิฟุกไม่ใช่ฝ้าอากาศเป็นฟุก หัวใจเราดูสิเราไม่ต้องการทุกข์ น, นึกทุกข์โอทุกข์ให้ใจมันสงบใจมันสงบแล้วก็มาทุกข์นี่แหะมาเคราะห์มดเขียนมากิเลสวัดกันไรเพราะคนนี้ไม่ทำบาปกรรมกรรมกรรมมันนั้นมันจะมาจากไหนดูสิเราไม่ไปกรรมเอา เราไม่เวททำเอาเราไม่สร้างเอามันจะมาจากที่ไหนเล่านี่นละกรรมมันไม่ได้เกิดจากว่าการเกิดจากกายของเรากายกรรมวาจีกรรมโนกรรมเกิดจากกายเกิดจากวัวจางเราแต่เวลานี้กายกรรมของเราเรียบร้อยแล้ววาจีกรรมของเราเรียบร้อยแล้วเหลือแต่มโนกรรมที่อ น, นี้ มนโนความน่อมนึกเราระลึกกรรมมันใดไว้รำมดีหรือกรรมชั่วเราจะรับผลของกรรมสืบไปแราจะรู้ได้ยนี้กรรมดีนั่นะใจเราสงบดีมีความสุขความสบายเนี่ยอันนี้เรากรรมดีกรรไม่ดีเป็นไงเล่าใจไม่ดี เยือยทะยานลิ้มรอนใจทุกข์ใจยากใจเดิอดใจร้อนอันนี้ละกรรมไม่ดีเนี่ยน้ำให้ทุกข์น้ำในยากในปัจจุบันละตรงหน้าต่อไปทางพ้นทางฟังเอาจะเป็นไงังรู้จักผมนี่แหละนีแล้วม่ดี วารในธรรมมาบุนของเราสมดในโปรดดูบุญของเราเอามาทำบุญในบุญไในบุญปวดรูทำใจของเราคิดมากทีไม่หลับไม่นอนทำร้ายเป็นทางไปเนื่อยนั่งพานั่งมันส่งมเดียกัน นอยองศา น, น, นี่คุ้มได้เต้นี่แ่ะบุญมันใดเชื่อเท่าขอให้ทานน้อยผลพันผลอา น, นิสงไม่เท่าเรานั่งสมาธิฝนเดียวมีพระอานิสง ม, มากมี่แหละอาคันในทำบุญทำกุศลสร้างคุณงามความดีนี่แ่ะบัณฑ์เงินของเราเพื่อเย็เยนเป็นสุขอาศัยพุทธศาสนา าศาสนา er คือทำส pues mm nah ั่งสอนทำสอนอะไรสอนตายสอนใจของเราให้ละความชั่วปวดเราทุกข์ปวดเราย่าปวดเราลำบากลำขาดปวเราอดเราจนนี่แหละในทำชนงานความดีทำกายทำวาจาทำใจให้เรามีความสุขความเจริญนี่แหละในธรรมะทำสั่งสอนในนามาส มาสี่แจงสแสดงในธรรมจัตตสปวัตนนสูต ร, รูปแล้วคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแทนสัพพุทธสนารเป็นที่ตั้งแทงนนักแหล่ผลเป็นที่ตั้งแ ท, งทคนความเพื่อความเจริญเมื่อทั้งหลยายได้มีในฟังแล้วโยนิโสมานสิการพ า, าเป็นกำหดจบไปแล้วนำไปประพฤติปฏิบัตฝึกปฏตนตนไปในธรรมคำสอน เอนี้ต่อไปในผลที่สุดประมธรรมทุกความนิพพรมารเมื่อท่านยังไรไม่มีความประมาทแล้วจะประสบเพียนแต่ความยุบความเจริญดังการสแสดงมาใด้วังตรงนี้ด้วยการศนกษาคอรับพรจากพนเยา ว, ยาาวาริวะปูราปาริปุรินติสุิ น, นัน เปตานมุตตะาติสิตังดสตังบุญยิปเมวตุเสตุสเปปุเรนเตสังกิภิณฑูรย์พนัสูยธรรมนิตทเเตโลาสเปเตไยาสเปสเอันตรายาสเุ สัพเพตโตนิมิตาสัพเพตตุมัสราเปสันโตนายวัฏถโพธนวัฏวฏโกยัจจวัฏถโกเนรวัโกวันวัฏโุวัฏโกทุสเาสัปติโยวัชชะตุสัพโลโสตมาเตภโย สุติทอายุโภพปิวนสรินิจัมุตาปจายนตารธรมมวันติอายุพันโอสุังภะนัง ตังแล้วไายดี ไ, มไดดหมล่ะเนี่ยาี้มมัดทุกมัดโทษ ก, ทกตีินะมัะะดาบาปมัดกรรมเตี้มัดเคาะจะไปเสเคาะหสะละน้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ตายเราดีสงบแล้วกิเลสรางลา ย, ยหมดเสีสมาสต์ังแล้ว ก่อนก่อนวริวนาผูราาริเรนติโสตินาเตนมุตตปาติสิตังร s จิตังบิตตเมวะมิเชสเปภเรนเสังขาจิตตนวเสยมนิา สัพเพเตโลภ a สัพเพเตภัยยะสัพเพเตอันตราย a ะสัพเพตุปัฏฐาสัพเพเตโทนิมิตาสัพเพเตอมัมสาราเป็นสันตอาโยวดาโกธนวัตโกเจดีวัตโกยัวัตโกนวัตโกเวณวัตโกสุวัตโกทุสเปตา สัพพิทิโยวัชันตุสัพโลกะในสตุมาเตหาทวันตรายโยสุขิทิพายุโคภาวะภิวาธนาศีริสาิจามุทาปจัยโนยัตารโรธรรมาวันติอา ย, ยุวันโนสุภังภะรังไปดีไหมล่ะ ไอ้ดีมัดทุกมัดโพดกเิยที่นบากมัดก่ำมลยที่ไม่คล้องจะไปเสียคอเสียอกน้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ได้เราดีสงบแล้วกิเล่จะลายหมดเขตสุนายฟังแล้วฟังไงนะตรงนี้เป็นยังไง What the h e